สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากาสุภาษิตครั้งที่แปดสิบแปดครับพระจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบสามถึงข้อยี่สิบห้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าที่จะตอบให้ถูก ให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คนคำเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆทางของคนฉลาดนำขึ้นสู่ชีวิตเพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากแดนผู้ตายเบื้องล่างพระเจ้าทรงรื้อเรือนของคนเย่อหยิ่งแต่ให้ขอบเขตของหญิงไม่คงอยู่เป็นครับโพชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นได้กล่าวถึงสิ่งที่สำคัญ การพูดหรือการเอ่ยเอื้อนเอ่ยวาจานั่นเป็นสิ่งที่สำคัญการพูดนั้นเราต้องพูดอย่างเหมาะสมครับพูดให้ถูกกาลเทศะพูดให้ถูกเวลาพูดให้ถูกสถานที่และพูดให้ถูกสถานการณ์ที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คนคำเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆพระคัมภีร์พูดแบบว่า the right word ก็คือคำที่ถูกกาละหรือคำที่ถูกคาที่โดนครับก็หมายความว่า the right word for the right occasion ก็จะนำมาซึ่งความชื่นบานชื่นชมยินดีหรือ joyful นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมานะครับเป็นคนล้วบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเราต้องพูดความจริงความจริงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่การพูดความจริงนั้น พี่น้องเคยจําได้ใช่ไหมครับว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดนั้นอาจตายได้ถามว่าทําไมอาจตายได้เพราะว่าเขาไม่ได้พูดอย่างถูกที่ถูกทางเขาไม่ได้พูดนะครับอยู่ทําให้อยู่บนความถูกต้องนะครับถูกใจมันก็จะกลายเป็นการพูดที่ทําให้เป็นแหล่งแห่งความทุกข์ครับ แต่ถ้าเรากล่าวความจริงอย่างถูกที่ถูกทางถูกต้องและถูกใจความจริงนั้นก็จะเป็นความจริงที่ทําให้เกิดความชื่นชมยินดีจะกลายเป็นแหล่งที่นํามาแห่งความสุขนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่ผู้ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นคําที่ถูกกาละหมายถึงคาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเช่นเดียวกันครับรวมความถึงคําที่หนุนจิตชูใจรวมความถึงคําที่เตือนสติคําที่ติดเพื่อก่ อ, กอเพื่อให้เกิดสันบิดภาพ คำที่ก่อให้เกิดความรักความชื่นชมยินดีการมีใจสามัคคีกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับคือคำผิดแปลว่าคำที่ถูกกาละความหมายต่างๆเหล่านี้ครับล้นวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นและเมื่อเรากล่าวคำเหล่านี้ออกมานะครับเราจะได้รับการเรียกว่าทุกชีวิตจะเยียวยาครับได้รับการบําบัดได้รับการชื่นชู่ใจได้รับคําสั่งสอนได้รับคําเตือน ไม่เกิดสติเกิดให้เกิดปัญญาจะรับการเสริมนื้อแรงเพียงครับเราจะหามาดูว่าในคิดจักของเราเมื่ อ, อไหรก็ตามที่มีการกล่าวพระเจนะของพระเจ้าครับพระเจนะของพระเจ้านั้นก็จะเป็นที่หนุนใจและพระจนะของพระเจ้านั้นถูกต้องถูกต้องนะครับทุกเวลาพระเจนะของพระเจ้าเป็นความจริงสมบูรณ์พระเจนะของพระเจ้านั้นกล่าวเมื่อไหร่นะครับก็ถูกที่ถูกเวลาเสมอเพราะว่าเป็นพจนะของพระเจ้า ทุกคนนั้นที่ได้ยินได้ฟังพระเจนะของพระเจ้านั้นก็จะต้องให้ความเคารพต่อพระเจนะของพระเจ้าหลายคนเมื่อฟังพระเจ้นะของพระเจ้าแล้วอาจจะไม่พอใจแล้วคิดว่าผู้เทศนานั้นกำลังว่ากล่าวตัวเองพี่น้องครับโปรดกลับใจใหม่ครับโปรดเปลี่ยนท่าทีใหม่เมื่อได้ยินพระเจนะของพระเจ้าก็เหมือนกับได้ยินองค์การนะครับองค์การของพระราชา ที่ทำให้เราทั้งหลายไม่ว่าจะมาถูกใจเราจริงๆหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านั้นครับเราต้องยกไว้สูงสุดครับเราต้องยกพระวจนะของพระเจ้าสูงสุดและทุกครั้งที่พระวจนะของพระเจ้านั้นมาถึงเราจะต้องน้อมรับด้วยความเชื่อฟังน้อมรับด้วยท่าทีที่พร้อมที่จะกลับใจใหม่พร้อมที่จะแก้ไขชีวิตของตัวเองนี่นะครับจึงเป็นเหตุที่ในที่สุดแล้วเราจะได้รับการหนุนใจและเป็นความชื่นบานของพวกเราครับ ข้อต่อไปนะครับข้อที่ยี่สิบสี่างของคนชลาดนั้นนำขึ้นสู่ชีวิตเพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากแดนผู้ตายเบื้องล่างพี่น้องครับการที่คนฉลลานั้นเขาเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องที่เพราะพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้านั้นได้ทรงมีพระประสงค์ไวเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะนำคนชลาดนะครับติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์และมีชีวิตที่มอบกาย ถวายตัวให้กับพระองค์ในที่สุดแล้วเขาจะเป็นคนที่สามารถจะตายในเวลาอันเหมาะสมได้ครับการเป็นคนมีสติปัญญาสามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากความตายอุบัติเหตุก า, ตาการตายก่อนเวลาได้พี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าความระมัดระวังตัวเองความถ่อมใจคุณธรรมจะสามารถช่วยให้คนได้รับชีวิต และชีวิตนี้นะครับก็คือชีวิตนิรันน์นั่นเองครับการสแสวงหาพระเจ้าทําให้คนเราได้พบชีวิตนิรันต์ชีวิตของเขานั้นจะจาเรินขึ้นสู่ความไพ่บู์ของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นใพระคัมภี์บอกว่าทางของคนฉลาดนั้นนําขึ้นสู่ชีวิตก็หมายความว่าในที่สุดแล้วคนฉลาดคนที่มีเสด็จปัญญาของพระเจ้าอยู่ในตัวคนที่มีพระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขานั้นเขาจะได้ชีวิตนิรันต์เขาจะพบกับความไพ่บู์มีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูนครับ พ asure, a, да ido, ี backyard, ่นอครับการหลีกหนีจากทางนี้นะครับจากทางแห่งความชอบธรรมนี้ไม่เดินอยู่ในทางนี้นะครับไม่เดินเขาจะไม่เดินอยู่ในวิถีทางแห่งความรอดครับการที่หลีกหนีจากทางนี้คนที่หลีกหนีจากทางแห่งความชอบธรรมเขาจะไม่ได้อยู่ในวิถีทางแห่งความรอดเขาจะตกลงสู่วิถีของแดนผู้ตายเบื้องล่างซึ่งจะไม่มีวันจะกลับครับ ไม่มีวันขึ้นสู่ทางแห่งชีวิตได้เว้นไว้แต่อย่างเดียวครับคือการกลับใจเสียใหม่พี่น้องครับผมเคยพ windows, ูดเสมอนะครับว่าอุปนิสัยสองอย่างในชีวิตของคริสเตียนที่จะต้องมีเสมอตลอดเวลาก็คือหนึ่งเราจะต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่เมื่อเราได้ยินคำเตือนจากพระเจ้าเมื่อได้ยินคำสอนของพระเจ้าเราจะต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่อันที่สองก็คือว่าเราจะต้องมีอุปนิสัยที่พร้อมที่จะเชื่อฟังครับ หนึ่งกับใจใหม่สองเชื่อฟังนะครับพี่น้องเราจะมาดูในข้อที่ยี่สิบห้าซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้พระเจ้าจะทรงรื้อเรือนของคนเย่อหยิ่งแต่ให้ขอบเขตของหญิงไม้คงอยู่คนเย่อหยิ่งนั้นจะได้รับการตอบสนองของพระเจ้าอย่างแน่นอนคำว่าเย่อหยิ่งนั้นหมายถึงการพยองตัวเองขึ้นการยกตัวเองขึ้นและการ พฤติกรรม ต, ต่างๆเกี่ยวกับการสะสมทรัพสมบัติต่างๆชื่อเสียงของตัวเองเกียรติยศของตัวเองหรืออะไรก็แวแต่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อจะประกาศศักดิ์าของตัวเองประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองที่จะยกตัวเองขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่าเย่อหญิงคนที่เยื่อหญิงนั้นจะได้รับการตอบสนองจากพระเจ้าอย่างแน่นอนพระเจ้าจะรื้อเรือนของเขาพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คนเยื่อหญิงลอยนวลครับ แต่สําหรับคนที่ไร้ที่พึ่งอย่างเช่นหญิงไม้ลูกกาําทาพระเจ้าจะปกป้องสิทธิของเขาปกป้องขอบเขตของเขาและสิ่งต่างๆที่เป็นของเขาพี่น้องครับพระเจ้าของเรายุติธรรมครับใครก็ตามที่เย่อหยิงก็จะถูกเหยียดลงนะครับใครที่ถ่อมตัวท่อมใจก็จะถูกยกขึ้นและพระเจ้านั้นได้เห็นอกเห็นใจคนยากจนในโลกนี้ครับและพระเจ้าจะดูแลเขาพี่น้องครับ หลายครั้งทีเดียวพระเจ้าก็จะใช้เราในการดูแลนะครับคนที่ยากจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคนที่ยากจนโปรดอย่าเมินเฉยครับช่วยตามกําลังที่เราช่วยได้นําเขาให้เขามารู้จักกับพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการดูแลจากพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับในสิ่งต่างเหล่านี้ครับพระเจ้าได้ทรงมีพระประสงค์มีความปรารถนาของพระองค์ที่จะให้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับพระพรครับ เมื่อเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับเมื่อเรายิ่งช่วยคนอื่นนะครับเราก็ยิ่งรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นะครับมากเท่าที่คนอื่นเขาต้องการก็จริงแต่พระเจ้าช่วยเขาได้ครับพระเจ้าช่วยก็รับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําเขาให้มารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยเขาได้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้จดจําพระกัมภีร์ทั้งสามข้อนี้นะครับ